เรื่องผ้าบางสกุลหนึ่งเรื่องสมัยนั้นคนเลี้ยงโคคนหนึ่งพาดผ้าไว้ที่ต้นไม้แล้วไปถ่ายอุจจาระภิกษุรูปหนึ่งสำคัญว่าเป็นผ้าบางสกุลจึงถือเอาไปคนเลี้ยงโคกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระภิกษุรูปนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือนอจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค ให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอสำคัญว่าเป็นผ้าบางสุกุลไม่ต้องอาบัดวงเล็บเรื่องที่หนึ่งรสาม